เราเกิดมากับสิงง่งจอมปลอมไม่ว่าใครๆทั้งนั้นรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเข้าด้ยวยกันยังไม่มีความจริงเข้าแทเกสีึงจิตใจได้ใจจอมปลอมทั้งดวงซึ่งที่เป็นเครื่องใช้ของใจจอปมปลอมมาต่างๆไปความรู้ความเห็นความคิดในแง่ไห น, น, ไหนทั้งอดีตปัจจุบันอนาคต ทางมือทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายนีลยอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจมืวนแน่ต้งแต่ปลอมทั้งนั้นเพราะไม่มีของจริงออกมาแสดงตอนนั้นมีแต่ของปลอมถ้าหากว่าในร้านก็เป็นร้านของปลอมทั้งหมดของจริงอยู่โน่นหลังร้านหนึ่งถูกขอ ง, งปลอมติดไว้อย่างนิดคิดอีกด้วยจึงไม่สามารถแสดงตัวได้ ในขณะนั้นเวละท่านประกาศสอนทำว่าพระจะทรมเป็นของจรงิทงทงั้งๆที่จะยินว่าสัจะท ร, รมเป็นของจรงิงแต่ใจที่รู้สึกในสัจธรรมขณะที่ฟังว่าทำเป็นของจริงนั้นมันก็ปอมอยู่อปลอมอยู่โดยดีเพราะจิตยังไม่จรงิงอะไรจะจริงก็ทำเมื่อเข้ามาสู่ของปลอมนี้มันจะปลอมไป ต, าตาป่างลำหนะ เพราะของปลอมมีอำนาจมากอะไรสัมผัสก็ตามความรู้สึกนั้นจากปลอมไปด้วยไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเพราะออกมาจากจิตจอมลอมอยู่แล้วภายในจิตใจจะให้เป็นของจริงขึ้ น, นมาได้อย่างไรการรื้อฟื้นการขุดค้นการปลดเพลื่องการแก้ไขสิ่งจําปลอมทั้งหลายเหล่านี้จึงต้องใช้ความพยายามอยู่ไม่น้อย แต่จะลำบากยากเย็นกับอย่างไรก็ตามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความจงใจของผู้จะทําผมยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาเพราะทําด้วยความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อทําด้วยความพอใจแล้วยากก็กลายเป็นของง่ายขึ้นมาหนักก็กลายเป็นเบาขึ้นมาเพราะจิตใจมีความเบาเบาด้วยความพอใจที่จะทํำจิตการนั้นๆจิตหนักนั่ น, น, นไม่ยกอะไรมันก็หนักตามธรรมชาติของจิต เขาติเลหตเป็นของหนักอยู่แล้วเช่นอยากจะทําอะไรนี่ขี้เกียด ท, ทําเสียเนี่ยทั้งๆที่ในขนาดนั้นมันยังไม่ได้ทำอะไรเลยคิดว่า ง, งานนั้นจะหนักงานนี่จะลําบากไปเส้คือความคิดเนี่ยมันหลอกเราเลยไม่สามารถที่จะทจํากิจการนั้นๆไปได้การฝึกการอบรมจึงต้องอาศัยสติปัญญาศรัทธาความเพียร อาศัยความบึกบืนกลางเหตุกลางผลไว้แลอ่านตามเหตุตามผลไเรื่อยพยายามบึกบืนหรือเสกียกตะกายไปกามเหตุผลนั้นจะยากลําบากจะไงเพราะตามเหตุผลนี้เป็นที่ต้องใจคือเหตุเป็นเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักความจริงเป็นที่ต้องใจสนับผู้มุง่งความจริงแล้วก็พยายามดําเนินไปนั้น อย่างพระสาวกดุสุบาอาจารย์ทั้งหลายแต่และองค์ละองค์ที่ปรากฏชื่ อ, อนามให้เราทั้งหลายได้กล่าวไหวบูชามาโดยลำ ด, ดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้รู้สึกจะเป็นผู้ได้ฝ่าฟืนอุปสรรคและความลาบากลําบนมาจนแทบเอาชีวิตไปไม่รอดนะแต่พ่ออย่างยิ่งก็คือท่านอาจารย์มั่นจะมีใครในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนองค์ท่านในครัง้งพุทธกาลก็ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นประธาน เป็นสักขีพยานยืนยันในเรื่องความทุกข์ความลําบากทุกสิ่งทุกอย่างถึงขั้นสลิบเลายมาสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นที่เป็นสักขีพยานหรืเป็นแบบเป็นเบับอันดีแก่บรรดาลูกศิษย์เวลาท่านน้อยฟังแล้วเกิดความสลดสังสัยจนนานๆท่านจะเล่าให้ฟังทีเพราะเรื่องเหล่านี้มันแค่แต่จะสัมผัสท่านไม่ได้เหมือนเรา ไม่มีอุปทานไม่มีความอยากพูดนั่นอยากพูดนี้อย่างสามัญชนธรรมดาทั่วทวไปท่านพูดด้วยธรรมพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดมากพูดน้อยพูดหนักพูดเบาพูดชนีดไหนอยากละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเป็นไปตามอัดตามธรรมตามเหตุตามผลที่ควรพูดเท่านั้นท่านไม่พูดด้วยความอยากความทะเยอทะยานความหลุดเมื่อหล่ดตัวเหมือนอย่างคนทั่วทไปเพราะฉะนั้นเรื่องของท่านที่จะนํามาพูดแต่ละครั้งนี้หากว่าไม่ เข้าไปสัมผัสในเรื่องนั้นท่านจะไม่นาเรื่องนั้นออกมาพูดเลยเหมือนท่านไม่เคยดําเนินมาแต่เวลาท่านเล่าให้ฟังโอ้โหน่าอัศาจรรย์บางทีน้ำตาร่วงคือสงสารท่านท่านดาเนินปฏิปทาเข้าผิในป่าในเขาตะก่อนมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นบ้านคนไปตั้งวันก็ไม่เจอที่ดีนอนอยู่ตามป่าตามเขาตามทางด่าน พวกโถงช้างกั้งคืนเสียงตุ่มปังตุงปังมาท่านกดทนคิดดูทุกวันนี้ไปที่ไหนมีแต่ป่าคนไม่ไดมีป่าไม้ภูเขาก็สักแต่ว่าภูเขาเฉยต้นไม้ไม่ยากที่ใช้เกิดความชุ่มเย็นดื่มจิต ด, ดืม่ม พ, พานาจิตในใจมันก็ไม่มีคนมันมาก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 เป็นเป็นปัปนปจจยเครื่องอุ่นหนุนคาขันให้พอเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งท่านพอใจเพียงเท่านั้นท่านไม่มีความ ท, ทยายามให้มากยิ่งกว่านั้นไปท่านจึงอยู่ด้วยความผาสุกเพลินใจบำเพ็ญสมภาธรรมด้วยความสะดวกกายสบายใจบางทีแม่่ฉันทหารก็มีเพราะไม่พวกหมู่บ้านคนไม่ฉันท่านก็ไม่วิตกวิจารเนี่ยเพราะเคยอดมาแล้วน่นไม่ฉันทั้งห ล, หลายวันก็เคยมาแล้ว่ครบเพียงวันสอ ง, งวันที่ไม่ พบบ้านผู้บานคนเ็มีปัญหาอะไรเนี่ยท่านตัดเอาหมดจะปัญหาแล้วนี้เพราะท่านเคยผ่านมาแล้วเรื่องความทุกข์ความลําบากความหนืความหงุดหงิไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเดินไปทั้งวันเป็นการเดินจงกรมไปทั้งวั น, นกําหนดพิจารณาอัดพิจารณาทําไปเรื่อยๆถึงที่ไหนคนจะพักก็พักคนจะนอนก็นอนไปบ้านไปที่เป็นสถานที่เหมาะสมมีน้ามีท่าเป็นที่สะดวกสบายในการบรรเนทนาความทุกข์ก็อยู่ที่นั่นเสย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 นอกจากเขาจะมีกล้วยเขาต้งจะใส่หรือเปลือกมันเขาต้่งจะใส่ถ้ามันมีนั้นเขาไม่ใส่เขาถือว่าพระกรรมฐานท่านไม่ชันนู้นชันตาชันจะถั่วแตงนาเขาไหวอย่างนั้นถั่วนาขมูเพราะเขาทําไดรมีถั่วมีงาเอามาให้ทันชันไปอย่างนั้นแหละท่านไม่เป็นกังวลถ้าอยู่นานไปนานไปก็เขารู้เรื่องรู้ราแล้วเขาก็ควนจัดมาถวายหนจะลําบากแค่ไหนเราที่ดู การมรรคผลของท่านเรื่องความภาพเพียนท่านไม่มีการบกพร่องทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นตลับเท่านั้นเป็นของเปลี่ยนของท่านตลอดเวลาไปด้วยความผาสุกอยู่ด้วยความผาสุกอราระขาดตกบกพร่องไม่สําคัญยิ่งกว่าการทภาวนาขอให้อนี้สมบูรณ์เป็นลําดับลำดาในยบทต่างๆนี่เป็นความสนใจนี่เป็นความพุทธปฏิบัติของครูบาอาจารย์มีท่านสันม่านเป็นต้นที่ดำเนินมายากลําบากเพียงไร ถ้าเราจะมาเทียบในพระสมัยปัจจุบันนี้เช่นอย่างพวกเราแต่ข้ออย่างนี้วัดต่อวัดต่างเต็มไปด้วยสิ่งบมรุมมนเลอทั้งหลายให้มัจฉาก็ตายได้ตายหมายว่าตายในธรรมนันแหละทำมันหมอบทำหมอบทำจเจริญไม่ได้ตอนในกสิบบอกถ้าเรียนมาองค์ก็จะไม่เข้าใจหาอุบายวิธีหลีบเลี่ยงตนเองด้วยอุบายต่างๆทำว่ารลีกเรี่ยงมาเลยลีกเลี่ยงใครคือหลีกเรื่องที่เด่นของตัวเองนั่นแหละ ถันมากเป็นยังไงให้สังเกตถันมากไม่ใช่เป็นของดีอันนั้นกบปลอมตัวเข้ามาอัน <Öz> น <pee hvad> ี้ปลอมตัวเข้ามาอันน uh ี้เป็เรื่องปลอมตัวมมีแต่เรื่องยิ้นเรื่องปากเรื่องอัดเรื่องทําไม่นีนี่เรามามุ่งหาอัธธรรมแล้วทําเจริญไหมกรงอันข้ามมีแต่ยิ้มแต่ปากเป็นเรื่องเจริญท้องเจริญปากเจริญอะไรที่เป็นเรื่องปลปมตัวร่างกายที่เป็นการชอบคุเบลเลดดิสเปนเหตุให้นอนใจถึงนั่นเจริญ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 จิตใก็ก้าไม่ออกทาร่างกายมีกําลังน้อยด้านจิตใจภาวนาก็ขยืดขึ้นไปโดยลำ ด, ดับเช่น mm. อย่างท่านอดอาหารานั่นไงองค์ไหนที่ท่านรู้นิสัยในการอุอาหารว่าเป็นประโยชน์ได้รับผมดีท่านก็ผอนข่านไปเรื่อยอดไปเรื่อยอย่างที่เห็นไหมไหนมั น, นต่างกันอย่างนี้การฉันกันไม่ฉันถันมากฉันน้อยมันต่างกันอย่างนี้เองผู้สังเกตต้องรู้ในการแก้ที่เละ การฝึกการทรมานการทำนักเลีดจึงเป็นความทุกข์ลําบากอยู่ไม่น้อยแต่การต่างสมสเกลียดนั้นเพราะเกลียดพราให้เป็นมันเป็นความพอใจทั้งนั้นแหละแต่การแก้เกลียดนี้เป็นความไม่พอใจจากแก้นอกจากเราจะได้เห็นผลจากการแก้ไปบา้างพอสมควรแล้วจะมาทั้งถึงเห็นผลมากไปโดยอํา ด, ดับเราะนั้นจะมีความพอใจสื่อเพิ่มเตําดับและเพิ่มกําลังมากขึ้นในการแก้เกลียด ในขั้นเริ่มแรกนี้มันจะไม่สนใจอยากจะแก้่นอกจากเป็นผู้มีพื้นเพยันดีมีความไข่แต่อัตตธรรมอีกแล้วก็พยายามการส่งเสริมกิเลสกับการแก้กิเลสนี่ยมันมันมีน้ำหนักต่างกันถุถึถงหนึความพยายามการแก้กิเลสต้องใช้ความพยายามทุกอาการของจิตทุกอีอาบทแต่การส่งเสริมกิเลสนี้พยายามหรือพยายามก็ตามมันเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วมันเป็นไปได้ง่าย เหมือนกันเราเทาน้ำลงจากบนเขาไหลตเหตลิดเตลิดตนไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นของง่ายแต่ทะ้งนั้นการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากบ้างเป็นธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามยากกับง่ายก็เพื่อจะรู้ถอนตนให้พ้นจากทุกข์เพราะ อ, อํานาจของกิเลสกดถีบ่บังคับออกไปได้โดยลําดับลำดับยังไม่มีความเสียหายทีของเราก็มีท่านี้ เราได้มาเท่านี้โดยการไม่มีจะได้มาจากที่ไหนอีกจะไปขอมาเพิ่มมาเติมอีกก็ไม่ได้แต่ละคนละคนไ ม, ม่เท่าตัวเราจะพยายามเสียตั้งแต่บัดนี้ถึงจนกระทั่งถึงวันชิ้นลมหายใจเราก็ไม่พอจะขาดทุนเราอยังจะได้กาไรเพิ่มเติมเพื่อปิโดยลํานักต่บจนกว่าจะหาไม่ในชีวิตนี้ชีวิตที่เอาไปทึ้งเปล่าๆหาเระโยชน์ไม่ได้เลยนั้นมีจํานวนมากมายหลายกองร้อยจะหาตั้งหนึ่ง ผู้ที่มีชีวิตอันเป็นสารานี้นี่จะหายากมันจะน้อยเหมือนกันร้อยต่อหนึ่งก็ยังจะไม่ได้ว่าถ้านักโดยที่คนจํานวนสี่ล้านในประเทศไทยนั้นโดยที่มีสาระคุณธาราจิตใจได้ทั้งหลักภายในได้ทั้งหลักภายนอกรู้ทั้งเหตุทั้งผลทั้งอัดทั้งทำทั้ ง, ลงโลกทั้งสารานี่มันหายากอย่างมากเขารู้จะ่ปากเนี่ยจําได้จะ่ปากเย็นไปจนน้ำลายจะไม่มีนี่นจเป็นการถังสมกิเลสแต่ข้อการเรียนเพราะความรุม่งเกิดเองเกิดความทั้งพันขึ้นมา จนรู้จนหลักเป็นนักป่าชแต่เดี๋ยนั่นก็เยอะทั้งๆที่งงโง่เต็มตัวเวลามาของกิเลสครอบไม่รู้สึกตัวมีมากเรื่ว่ า, าสาระภายในจิตใจมันหายากเวลานี้เราทุกําลังหาสาระสำคัญให้พันให้แส่จิตใจของเราโดยการกติกฝนอบรมทฤษฎีเท่านี้แล้วหมดไปทุกวันทุกวันเมื่อวานนั่นก็หมดไปวันหนึ่งแล้วเรามาอยู่นี่กี่วันนันก็หมดไปเท่านั้นวัน ชีวิตขงเราหมดไปเท่านั้นไงแล้วยังเหลืออีกกี่วันมันหมดไปหมดไปไม่ได้เพิ่มมาความเพียรของเราที่จะพยายามให้ได้ต า, ามเบลลัมเวลาที่ผ่านไปนั้นเป็นเรื่องของเราที่จะคิดค้นพายในตัวเองให้มันเป็นที่แน่ใจเจ้าของเป็นสําคัญที่สุดยิ่งกว่าใครจะไม่ให้ความยืนยันแน่นอนแก่ตนเองท่นานชั้นทิพิโกนั่นพระพุทธเจ้าประกาศความจริงเข้าสู่จิตใจของเราเมื่อปฏิบัติถึงเหตุคิดควรจะรู้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 ต้องพยายามสั่งสอนอัตธรรมทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพรนันทะเป็นตน้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงประกันธะนันทะตอนออกบวชเพแรกแนะนำสั่งสอนหลายครัง้งหลายหนจนพระนันทะมีความรู้ความเสรียวฉลาดสามารถถอดถอนตนให้พ้นไปได้หมดการพึ่งพิงพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้กราบูมิพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์หายสงสัยแล้วในใอันที่จะบ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 เราก็ไม่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพราะความพึ่งเราความแน่ใจให้เราตามหลักธรรมที่ท่านประกาศสอนไว้เพื่อให้พึ่งตนเองนั้นกระจัดเป็นหวัวใจของเราแล้วนี่เป็นท่าประสงค์ของพระพุทธเจ้าด้วยจึงไม่เป็นการการผิดว่าประมาทพระพุทธเจ้าเกิอย่างไรผิดต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นพึ่งตนเองได้แล้วแน่อย่างนั้นเองไั่มีอะไรจะแน่ยิ่งกว่าผิตเวลาจริงไม่มีอะไรจะจริงยิ่งกว่าผิตเวลาปลอมไม่มีอะไรจะปลอมยิ่งกว่าผิต ถึงในขณะที่เละมันครอบคุมอยู่ภายในจิตใจมันปราไม่หมดดังที่กล่าวแล้วที่แรกนั้นเองทางหูทางตาทางจมูกทางยิ่นทางตาทางตลอดถึงทางใจอื่นที่เป็นที่ออกจากใจเป็นทางเดินของใจไปทางหูต่างตากระทบรูปเสียงสิ่งลดเครื่องสัมผัสมีตั้งแต่เรื่องฟอมทางนั้นเพรจิตพราให้ตรอกพอถึงขั้นรูด้ด้วยสติปัญญาตัทธาความจริงนั้นตนได้บากบั่นหันหน้าเขาโดยดั่มดั บ, ดบมีกําลังขึ้นภายใจิตใจแล้วก็ เรื่องความปลอมอย่นั้นก็ค่อยหมดไปหมดไปความจริงค่อยเด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาคําว่าจะจะทําเป็นของจริงตางที่ท่านสอนไว้ในสำนักตราแต่ก่อนเราก็ไม่เห็นเป็นของจริงพ่อที่เดชไม่พาให้จริงขั้นแล้วก็จริงขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมพาให้จริงน่ะถ้าทํามพาให้จริงจริงได้ทุกอย่างทิ่เดชพาให้ปลอมปลอมได้ทุกอย่างเพราะที่เดชเป็นของปลอมอยู่แล้วปลอมจากความจริงเห่งธรรมปลอมจากสาระคุณจริงเป็นเรื่องปรอมไปหมดเมื่อได้ชาระตาสางตน เป็มกระสีกําลังความสามารถความจำความนั้นก็หมดไปหมดไปปรากฏแต่ความปรากฏแต่ความจริงขึ้นมาทุ ก, ก็เป็นของจริงรู้กันอยู่อย่างชัดชว่าทุกในส่วนไหนร่างกายนี้ส่วนไหนเป็นแสดงอาการเจ็บปวดแสบร้อนก็รู้มันอยู่ว่ามันเป็นทุกในจุดนั้นจุดนั้นเนี่ยพอมาไปถือมั่นในความทุกข์นั้นรู้ตามเป็นจริงของมันที่มันเป็นทุกจะทุกอาการใดก็ต่างรู้ได้ชัดทุกเวทนา สุเกิดขึ้นในส่วนร่างกายก็ทราบประชัอนอวัจ น, นสุกตามสภาพของมันเฉยๆก็ทราบว่ามันเฉย ๆ, ๆมีส่วนหนึ่งของเวทนาอ้าวจิตมันมีความสุขเพราะเรื่องอะไรแยกแยกให้เห็นทัตตามความจริงของมันมันทุกข์เพราะเรื่องอะไรเพราะอารมณ์อะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ธรรมราจิตก็ต้องมีสาเหตุขึ้นเดียวกับร่างกายคือร่รางกายเราก่อนจะไม่สบายาในธาตุขันธ์ต้องมีสาเหตุอันหนึ่งขึ้นมาให้เกิดความไม่สบาย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 อีสาเหตุมันให้เกิดทุกข์มันมีอยู่ภายใจิตมันเป็นเกิดทุกข์สาเหตุแล้วก็เศร้าเป็นกิเลสเป็นฆาสึกต่อจิตใจ อ, อยู่แล้วทุกคนก็ทราบ ว, ว่าเป็นผลของกิเลสซึ่งเป็นฆาสึกเช่นเดียวกันกับเรื่องของกิเลสกับเป็นจริงที่เราจะต้องแย่งแย้เป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกตัวว่ามันเป็นทิฐเป็นภัยนี้เป็นภาสุขตัวเองเราจะไปสําคัญมั่นหมายหรือไปยึดไปนเหยียบเอาอย่างนั้นมาเป็นตนได้ไงก็เช่นเดียวกับไปยึดไปมาเผาตัวเองนั่นแหละปัญญายแย่ๆอันนี้ ันกระทั่งจิตเป็นจิตล้วนๆอะไรก็จริงหมดทุกจะเคยปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ละตั้งแต่วันเกิดทั้งทั้งที่พระเจ้าสอนว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมมันมันก็จริงขึ้นมาตามพระพุทธเจ้าว่าสรมูไทยก็จริงมรรคก็จริงไม่รอดก็จริงเมื่อจิตจริงเพีดวงเดียวเท่านั้นอะไรจริงหมดจิตปลอมเพียงดวงเดียวเท่านั้นอะไรก็ปลอมหมด เพราะอะไรที่เป็นอย่างนั้นเพราะจิตเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในโลกกระทกอันนี้จิตแต่และดวงละดวงของบุคคลแต่และคนละคมเช่นโลกเกิดความวุ่นวายและต่างมาสกันอย่างทุกวันนี้เป็นเพราะเหตุอะไรสาเหตุมันก็มีอยู่ที่ใจของโลกมันร้อนปัญหาที่ยึดที่เหนี่ยวไม่ได้เต็มไปด้วยความโลภความปวดความหงาาุดหงิดตัณหาเต็มไปหมดยิ่งมีอำนาจวัสนาเข้าส่งเสริมกันแล้วอันนี้ก็ยิ่งกำเริบเสริบฐานที่เดิมดับเพราะเป็นเครื่องสนับสนุนโลกมันก็ยิ่งร้อน ถ้าเป็นเร่องกิเลสมันเป็นอย่างนี้มันร้อนมากมออกจากใจนั่นแหละถ้าใจมีความเห็นถูกต้องตามเหตุตามผลแม้ทางโลกก็มีความผาสุกเย็นใจมีความสงบสุขได้คเป็นไรายไปอยู่กับใจที่เห็นเสร็จ เ, เห็นผลเท่า น, นั้นเองนเย่อนเข้ามาถึงตัวของเราเองทำํำมาจิตใจถึงรุ่มร้อนร้าสําน้าสายวุ่นวายก็เพราะกิเลสมันแสดงตัวมันมีรูปลายต่างต่างแสดงออกมา ผลของมันก็คือความทุกข์เาโดจิตใจของเราความีปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องดับไฟที่เละธัญหาอาสวะมีสติมีปัญญามีความเพียนนุนหลังเข้าไปแก้กันเข้าไปจนเห็นความจริงที่มีมมมอยู่ภายในจิตใจของตนซึ่งเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่ากเิเลสอันเป็นของปางนั้นเขาห่มห่อปิดบงังเท่านั้นเองจึงไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้อย่างเต็มใจ นี่เป็น ว, วาระของเราที่จะสั่งสมคุณงานความดีส่งเสริมสติปัญญาให้มีกําลังเพื่อกดเครื่องตนเองเพื่อถอนถอนตนเองจากหลุมลึกคือกิเลสอาสะวะทั้งหลายนับตั้งแต่ธาตุแต่ขันเข้าไปมันเป็นหลุมลึกทั้งนั้นถ้าเราไปติดมันมันเป็นพื้นเป็นภายไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าเราไปติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่เป็นอ่า นี่เคลเร่ อ, รอของกลอมของจิงมาทางทั้งหลายด้วยนี้พิจารณาแก่ า, ตาตตขตนเองตัวเองค็อผมากที่สุดนอกเพียงกรนีอย่างรถอะไรมันยุ่งจริงไปปิดแล้วยกออกมาเลยลม <c ười>